ต้องชัดแก่ตนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นว่าเรานับถือพระไตรปิฎกภาษาไทยในฐานะที่ช่วยการศึกษาบอกแล้วว่าหลักแกนกลางสำหรับพระไตรปิฎกบาลีอยู่ที่รักษาของเดิมแท้ไว้ให้ได้จึงต้องสอบฐานอ้างอิงโยงกันไว้ระหว่างทุกฉบับที่รักษาไว้ในทุกถิ่นทุกที่ใหถึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว แต่หลักสำคัญพระไตรปิฎกภาษาไทยคือพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยอยู่ที่การแปลออกมาให้คนที่อ่านภาษาไทยรู้เข้าใจถูกต้องแม่นยําตรงตามของเดิมที่เป็นภาษาบาลีได้พูดแล้วแต่ก็ต้องย้ําอีกว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยและไม่ว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาไหนที่แปลและพิมพ์ใช้กันมาซึ่งแปลได้แม่นดีมากบ้าง แม่นดีน้อยบ้างถึงจะไม่มีฉบับใดสมบูรณ์ก็ล้วนเป็นที่เราควรจะระลึกคุณนับถือโดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราพอจะเข้าถึงและใช้พระไตรปิฎกได้ไม่น้อยแม้จะไม่ใช่ตัวจริงแท้ที่จะเป็นมาตรฐานตัดสินธรรมวินัยได้และกระบวนการตรวจชำระแก้ไขคำแปลยังจะต้องดำเนินต่อไปอีกนานที่ว่าระลึกคุนนั้น ทั้งมองถึงคุณความดีของบรรดาท่านผู้แปลที่มีเมตตาเสียสละเพียรพยายามทำงานยากที่ใหญ่ให้มีขึ้นมาและมองเห็นคุณค่าของตัวงานที่ช่วยในการศึกษาพระพุทธศาสนานำเสนอพระธรรมวินยัยให้รู้เข้าใจนําไปใช้ประโยชน์ในการเผยแร่สั่งสอนเป็นต้นต้องเข้าใจว่าในงานใหญ่แปลพระไตรปิฎกบาลีที่ยากนัก มากกว่าสองหมื่นหน้านั้นถ้าจะเลือกท่านผู้แปลที่เยี่ยมยอด2ถึงสรูปจะได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดแต่ตลอดชีวิตของท่านผู้แปลนั้นงานก็คงไม่เสร็จเมื่อจะให้เสร็จไม่ช้านักก็ต้องยอมมีผู้แปลหลายสิบถึงนับร้อยและก็ต้องยอมรับที่จะมีข้อผิดพลาดบกพร่องมากขึ้นเมื่อมีข้อที่เป็นปมปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะแห่งเฉพาะที่ตรงนั้นตรงนี้ ดังเช่นกรณีนี้ก็ช่วยให้ได้พิจารณาตรวจสอบตรงนี้ที่นั้นให้ชัดในการทำความชัดเจนตลอดจนแก้ไขในเรื่องนี้พึงเข้าใจเห็นใจว่าท่านผู้แปลที่ร่วมกันทำพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ว่าแปลบาลี 20,000 กว่าหน้านั้นท่านทำงานแบบเฉลี่ยกว้างมากจึงมีโอกาสมากที่จะมีที่หย่อนที่เผลอที่พร่องตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างรวมแล้วไม่น้อยเลย ส่วนผู้ที่เมื่อพบปัญหาแล้วมาพิจารณาตรวจสอบเฉพาะแห่งเฉพาะที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างในกรณีนี้พูดแบบชาวบ้านว่าย่อมได้เปรียบเพราะดูเรื่องเจาะจงเฉพาะจุดมีเวลาและสืบค้นได้ละเอียดละออก็ทําการแก้ปัญหาและชี้แจงให้ชัดลงไปได้ง่ายหน่อยเมื่อแก้ปัญหาเฉพาะแห่งเฉพาะที่ได้แน่ชัดลงไปแล้วมองในระยะยาว ก็เป็นประโยชน์ช่วยการแก้ไขที่จะทำให้พระไตรปิฎกภาษาไทยก้าวไปใกล้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อได้พบได้รู้หรือมีผู้บอกแจ้งที่พลาดที่เผลอให้เป็นครั้งเป็นคราวท่านที่รับผิดชอบก็สามารถบันทึกรวมไว้แล้วเมื่อมีโอกาสเช่นพิมพ์ใหญ่ครั้งใหม่ก็แก้ไขปรับปรุงกันใหญ่ทีหนึ่งได้ทราบว่าพระคึกฤทธ์บอกทํานองว่า พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐซึ่งที่จริงไม่ใช่ฉบับสยามรัฐแต่เป็นคำแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐนี้ถือเป็นมาตรฐานหรือถูกต้องแท้จริงเพราะมหาเทระสมาคมยอมรับแล้วขอให้เข้าใจว่ามหาเทระสมาคมเพียงแต่บอกให้สบายใจได้ว่าท่านผู้ได้รับนิมนต์และรับเชิญมาช่วยกันทางานแปลพระไตรปิฎกนี้ มีคุณสมบัติรู้ภาษาบาลีในขั้นน่าเชื่อถือได้และงานแปลก็ดำเนินไปโดยมีการวางระบบและจัดกระบวนงานที่ช่วยให้หน้ามั่นใจจึงใช้ช่วยศึกษาพระธรรมวินัยได้เรื่องนี้พอจะเทียบได้แค่ว่าคล้ายกับการที่กระทรวงศึกษาธิการเคยออกใบอนุญาตให้หนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนได้มิใช่ว่ามหาเทราสมาคม จะยืนยันรับรองความถูกต้องของคําแปลในพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้นแม้แต่คําแปลทั้งหมดในนั้นมหาเทราสมาคมก็ไม่ได้อ่านทั่วยิ่งเหนือพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐด้วยแล้วท่านยิ่งไม่ยุ่มย่ามอะไรด้วยนอกจากส่งเสริมสนับสนุนกําชับให้ช่วยกันแปลให้ถูกต้องช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันศึกษา บอกแล้วว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้นยังมีงานตรวจชำระแก้ไขคำแปลที่ยังต้องดำเนินต่อไปอีกนานควรหนุนท่านในงานนี้เมื่อตอนสิ้นปีเก่าที่ผู้ดูแลรายการธรรมะทีวีช่องเจ็ดสีไปถ่ายทาธรรมะเป็นพรปีใหม่2558และได้ขอแถมถามปัญหาธรรมะด้วยดังได้เล่าแล้วข้างต้นคำถามหนึ่งโยงไปที่การทาหนังสือของพระคึกฤทธิ์ที่ต่อมา หลังรายการนั้นอาตมาไดาา้ทราบว่าชื่อพุทธวจนะตามคําถามนั้นอาตมาก็ตอบไปตามหลักว่าการบอกว่าจะช่วยให้ประชาชนรู้จักเข้าถึงของแท้จริงที่เป็นพุทธพจน์หรือพุทธวจนะนั้นแสดงถึงการมีความปรารถนาดีทีนี้การทํางานนั้นจะสําเร็จดังที่ปรารถนาดีก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจจริงและทํางานตามวิธีปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง ในเรื่องความรู้ความเข้าใจนั้นก็เริ่มตั้งแต่รู้จากพระไตรปิฎกที่จะเอาไปจัดไปคัดไปใช้พระไตรปิฎกที่พระคึกฤทธิ์นำมาแสดงว่าใช้เป็นหลักนั้นปรากฏว่าเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยท่านเรียกว่าเป็นฉบับสยามรัฐแต่ความจริงชัดอยู่แล้วว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐเป็นภาษาบาลีเท่านั้นอย่างที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีพระไตรปิฎกสยามรัฐที่เป็นภาษาไทย และไม่มีพระไตรปิฎกภาษาไทยใดๆเป็นฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกที่พระคึกฤตบอกว่าเป็นพระไตรปิฎกสยามรัฐที่ท่านเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐภาษาไทยนั้นตัดไปได้เลยย้ำให้แม่นว่านั่นไม่ใช่พระไตรปิฎกสยามรัฐแต่เป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับแรกที่ครบชุดนี้จะเรียกในปัจจุบันว่าฉบับหลวงหรืออะไรก็ตามก็คือพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลเสร็จและพิมพ์ออกมาเนื่องในการฉลอง25พุทธศตวรรษในพุทธศักราช2500เมื่อแรกออกมานั้นจัดเป็นชุดละ80เล่มเท่าพระชนมายุการของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นของคณะสงฆ์ในอุปธรรมของรัฐบาล ต่อมาจึงถือเป็นฉบับหลวงและให้มีส่วนราชการทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเวลานั้นยังไม่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีแต่กรมการศาสนาและในกรมการศาสนานั้นส่วนงานที่รับผิดชอบคือกองศาสนาศึกษาต่อมาเมื่อมีการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยชุดนั้นอีกก็ได้จัดแยกแบ่งเล่มใหม่เปลี่ยนเป็นชุดละ45้า45เล่ม ให้เป็นจำนวนเท่ากับพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐที่เป็นต้นเดิมบอกแล้วว่าสำหรับงานที่ใหญ่ยิ่งนักนี้การตรวจสอบแก้ไขคำแปลจะต้องดาเนินไปอีกนานงานนี้มาอยู่ที่กองศาสนาศึกษาก็เหมาะเพราะผู้อำนวยการกองศาสนาศึกษานั้นมักเป็นท่านผู้มีความรู้พระธรรมวินัยและภาษาบาลีเป็นอย่างสูงหรือยอย่างดี บางท่านก็เอาใจใส่งานตรวจสอบคำแปลในพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้นด้วยเมื่อพูดตอบทีวีช่องเจสีตอนสิ้นปีนั้นอาตมาก็ได้เล่าด้วยว่าผู้อำนวยการกองศาสนศึกษาครั้ง30ถึง40ปีก่อนโน้นได้พูดให้รู้ว่าท่านใส่ใจทำงานตรวจสอบคำแปลในพระไตรปิฎกภาษาไทยดังที่ว่านี้ ได้พบข้อผิดพลาดบกพร่องที่ยังมีอยู่และแก้ไขไปได้มากหลังพุทธศักราชส5 2 0แล้วจึงมีพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดหรือฉบับอื่นๆทยอยเกิดขึ้นโดยทั่วไปพระไตรปิฎกภาษาไทยชุดหรือฉบับอื่นๆเหล่านั้นก็ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยที่สืบมาแต่ฉบับฉลอง25พุทธศตวตรรษนั่นเองเป็นฐานข้อมูล และแต่ละฉบับนั้นก็มีผู้แปลผู้จัดทํามากหลายท่านหลายท่านชอบที่จะถือตามคําแปลของเก่ามีการปรับแก้เพียงน้อยบางท่านก็ตรวจสอบจัดปรับถ้อยคําสัมมวนทุวนทีบางฉบับก็เอาจริงเอาจังมากหน่อยในการสืบค้นหลักฐานมาทําความชัดเจนโดยการทําเชิงอัดบ่อยๆเป็นต้นแต่ดังว่าแล้วการตรวจแก้ยังจะต้องขยัน ที่จะดำเนินต่อไปที่ว่ายังจะต้องขยันตรวจแก้กันต่อไปนั้นก็อย่างที่ว่าแล้วข้อผิดพลาดพลั้งเผลอและข้อที่ควรปรับปรุงยังเหลือรอดอยู่ถ้าเทียบกับคำภีที่ใหญ่โตนักนี้ก็อาจพูดได้ว่าไม่มากนักหนาแต่เมื่อนับโดยปริมาณก็ไม่น้อยขอให้ดูนิดหน่อยเอาตัวอย่างเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นรูปธรรมจะได้มองเห็นเข้าใจได้ง่าย ในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐหมวดพระวินัยปิฎกเล่มเจข้อ86หน้า32มีบาลีพุทธานุญาตข้อหนึ่งสำหรับบาลีส่วนนี้ตรงนี้มีคำแปลในพระไตรปิฎกภาษาไทยซึ่งพระคือกริชใส่ชื่อว่าสยามรัฐซึ่งขอย้ำว่าไม่ใช่ไม่เป็นความจริงแน่นอนเล่มเจข้อ86หน้า26ว่าเรือนไฟที่มุงด้วยหญ้าไม่เตรียมจุดๆุดจุ ด, จดตรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเราเอานิย่าตให้รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่างนี่เป็นคำแปลผิดตัวอย่างหนึ่งซึ่งยังหลงเหลืออยู่และในพระไตรปิฎกภาษาไทยอีกชุดหนึ่งก็แปลเหมือนกันจึงผิดตามไปด้วยแต่พระไตรปิฎกภาษาไทยอีกชุดหนึ่งเล่มเจ็ดข้อสองหน้า36แปลเปลี่ยนไปว่าเรือนไฟที่มุงบังด้วยหญ้าไม่อบเหงือ จุ ด, จ ด, จดตรงนี้ลเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงและเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกที่แปลพลาดไปเลยอย่างนั้นก็แบบหนึ่งทีนี้ที่ไม่ถึงกับผิดแต่ชวนให้งงจับความยากตีความไปได้ต่างๆก็มีแล้วก็เลยแปลต่างกันไป ยกมาดูกันสักแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐพระพุทธเจ้าตรัสไว้ปรากฏในพัท ธ, ธาลิสูตรว่าอาหางโขภิขเวเอกาสนะโพชนังพุญชามิตรงนี้ในพระไตรปิฎกภาษาไทยซึ่งพระคึกฤทธ์ใส่ชื่อว่าสยามรัฐซึ่งต้องย้ำอีกว่าไม่ใช่มีคำแปลในเล่ม12ข้อ265หน้า173ว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายรอฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวบางท่านอ่านแล้วงงสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงฉันพัตฐารที่อาสนะคือที่ประทับนั่งแห่งเดียวเป็นประจำทุกครั้งทุกวันหรืออย่างไรพอไปดูพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ใหม่กว่าฉบับหนึ่งคือพระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลของมมอรพุทธศักราช 2,525 ตรวจชำระใหม่พุทธศักราช2546มีคำแปลที่แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ว่าภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารหนเดียวแล้วไปดูพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ใหม่กว่าอีกฉบับหนึ่งคือฉบับของมอจอรอพุทธศักราช2535มีคำแปลเปลี่ยนต่างไปว่าเราฉันอาหารมื้อเดียวทีนี้ ถ้ายังไม่ชัดว่าอย่างไรกันแน่ก็ลองไปค้นดูคำอธิบายในอัตถกถาแต่ที่นี่เพียงจะให้เห็นรูปเขาจึงขอหยุดไว้แค่นี้สำหรับฉบับมจรรนำคำอธิบายของอัตถกถามาทำเชิงอัดไว้ด้วยหันไปมองแง่อื่นอีกขอเล่าเรื่องหนึ่งนานข้ามปีแล้ววันหนึ่งในระยะที่อาตมาอาพาธอยู่ในโรงพยาบาลคุณดิดผู้หนึ่งร้อนใจ และด้วยความปรารถนาดีได้เข้าไปเล่าให้ฟังว่าได้พบทางอินเทอร์เน็ตว่าท่านเจ้าของเว็บไซต์หรือเฟ e บุ๊ k หรืออะไรก็ไม่ได้จำแห่งหนึ่งเป็นด็อกเตอร์บอกกล่าวรวมแล้วได้ความว่าพระผมคุณาภรณประยุทธ์นี่พูดเท็จที่ว่าพูดเท็จคือพระผมคุณาภรณอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสคาว่าธรรมมาธิปไตไว้มีในพระไตรปิฎกที่นั่นที่นี่หลายแห่ง แต่ไม่จริงเลยธรรมอาธิปไตพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีแห่งเดียวในหลักอธิปไตสาในพระไตปิดกเล่ม20สิบอาตมาฟังแล้วก็รู้ได้ง่ายๆเป็นธรรมดาว่าท่านด็อกเตอร์นั้นค้นหาอ่านดูในพระไตปิดกภาษาไทยชุดที่มาเป็นฉบับหลวงซึ่งแปลเชิงทับศัพท์ไว้แห่งเดียวคือในเล่มสิบโดยมาในชุดอธิปไตสว่าธรรมาธิปไต แต่ที่อื่นซึ่งมีอีกหลายแห่งแปลเป็นภาษาไทยเสียหมดว่ามีธรรมะเป็นใหญ่ซึ่งอธิปไตยสมมีในเล่มสิอด้วยก็ไม่เจอแม้แต่ที่แปลทับศัพท์อย่างนั้นในพระไตรปิฎกแปลต่างฉบับก็แปลทับศัพท์ไว้ไม่เสมอกันในชุดเก่านั้นมีธรรมาธิปไตยที่เดียวแต่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุลาและฉบับมอมอรอ์มีสองแห่ง ในรูปทัพศัพท์เป็นธรรมมาธิปไตยคือทั้งในเล่ม20สบและเล่ม11อดด้วยโดยมาในชุดอธิปไตยสาเหมือนกันแท้จริงนั้นธรรมมาธิปไตยมีที่อื่นอีกหลายแห่งซึ่งเป็นที่สำคัญมากด้วยอย่างในจักกวัติสูตรแต่พระไตรปิฎกภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยกันซสีหมดว่ามีธรรมะเป็นใหญ่ผูี่คนควา้าก็เลยหาธรรมมาธิปไตย ได้แค่หนึ่งหรือสองแห่งเท่านั้นอย่างที่ว่าแล้วถ้าจะค้นคว้าให้ครบถ้วนทั่วถึงและอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานจริงก็ต้องไปที่พระไตรปิฎกบาลีดังเช่นพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐที่ว่านี้พอค้นในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐดูที่คำว่าธรรมาธิปเตโยและธรรมาธิปเตยังก็ได้พบว่าธรรมาธิปไต มีมาถึง16ครั้งทั้งเล่ม11เล่ม20เล่ม22และเล่ม31ในแง่นี้ท่านที่ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยก็อาจจะช่วยเรียกร้องให้ท่านผู้ดูแลรักษาพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้นเมื่อมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงน่าจะได้วางระบบงานแปลให้อำนวยประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้ามากขึ้นเช่นว่าขอให้กำหนดคำศัพท์สำคัญ โดยเฉพาะศับธรรมวินัยที่เมื่อแปลเป็นไทยแล้วต้องวงเล็บตัวสับไว้ด้วยอย่างในกรณีนี้เมื่อแปลเป็นไทยแล้วก็มีวงเล็บให้ด้วยว่าเช่นมีธรรมะเป็นใหญ่วงเล็บธรรมมาทิปไตยเมื่อทำอย่างนี้ผู้ศึกษาก็ได้ประโยชน์มากพระไตรปิฎกภาษาไทยก็ก้าวใกล้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยังมีข้อปลีกย่อยอีกในแง่นน้นแง่นี้ที่น่านำเข้ามาพิจารณาอันจะเกื้อกูลต่อการแก้ไขปรับปรุงแม้แต่ถ้อยคำที่เหมือนเล็กๆน้อยๆดังเคยพูดมาก่อนแล้วเช่นว่าเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยเห็นคำแปลที่น้นก็ว่ายินดีที่นั่นก็ว่ายินดีเจอแล้วเจออีกฉุกใจลองไปค้นดูว่ามาจากคำเดิมในบาลีคืออะไร ปรากฏว่าคำไทยยินดีแต่คำบาลีเดิมที่นั่นเป็นรติที่นี่เป็นนันทิที่โนนเป็นตุทิที่โนนเป็นอภิรมที่นุ่นเป็นอภินันทะแม้กระทั่งอารามในทางกลับกันไปตั้งต้นจากคำบาลีมาบ้างจับที่คำบาลีว่าอภิรมแล้วตามไปดูคำแปลภาษาไทยในที่ต่างๆก็เจอคำแปลต่างกันไปในที่โนนที่นี้ เป็นยินดีบ้างดีใจบ้างพอใจบ้างเพลิดเพลินบ้างชื่นชมบ้างในแง่นี้นอกจากยังต้องอาศัยพระไตรปิฎกบาลีเป็นที่ตรวจสอบอ้างอิงถึงที่สุดแล้วอีกด้านหนึ่งก็ควรจัดระบบคำแปลให้เกื้อกูลแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าเหมือนที่พูดข้างบนคำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คำใดเป็นศัพทธรรมวินัยสาคัญเมื่อแปลเป็นไทย ก็ให้ใส่วงเล็บบอกคำเดิมไว้ด้วยดังนี้เป็นต้นมองระยะยาวในเมื่อเวลานี้เรามีพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยหลายชุดหลายฉบับแล้วและทุกชุดทุกฉบับก็ยังจะต้องเดินหน้าไปสู่ความใกล้สมบูรณ์อันนี้เป็นงานหนักยิ่งที่ต้องอาศัยกำลังหลายอย่างที่หล่อเลี้ยงได้ยืนยาว ด้วยเหตุผลนี้โดยส่วนรวมจึงน่าจะจัดวางระบบวิธีการที่จะประสานร่วมกันทำงานตรวจสอบชำระแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ส่วนที่เสมอกันได้ถูกต้องครบถ้วนลงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวทำให้ดีที่สุดด้วยกันทุกฉบับเมื่อทำอย่างนี้ก็จะบรรลุ ถ, ถึงจุดหมายได้เป็นหลักของพุทธศาสนาศึกษาอํานวยประโยชน์สูงสุดแก่มวลพุทธบริษัทแก่ผู้ศึกษาประชาชน และเป็นที่ยอมรับนับถือของน า, นานาประเทศสมที่จะให้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกได้จริง